แนะนำบทกูเรสบทกูเรสนี้เป็นบทมักกิยามีสี่องค์การกล่าวถึงความโปรโดปรานอันยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์ที่มีต่อชาวกูเรสมักกะโดยที่พวกเขามีการเดินทางสองครั้งต่อหนึ่งปีคือการเดินทางในฤดูหนาวไปเยเมนและการเดินทางในฤดูร้อนไปยังประเทศชาติเพื่อทําธุรกิจการค้าอัลลอฮ์ทรงยกย่องให้เกียรติแก่ชาวกูเรส ด้วยความโปรดรานอันยิ่งใหญ่สองประการคือความโปรดรานแห่งความปลอดภัยและความสงบสุขและความโปรดปรานแห่งความมั่งมีและความสะดุกสบายด้วยพระนามของอัลลอฮฺผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอเพื่อความคุ้มครองแก่ชาวกุเรชเพื่อความคุ้มครองแก่ชาวกุเรช เพื่อความคุ้นเคยแก่พวกเขาในการเดินทางในฤ ด, ดูหนาวไปเยเมนและฤ ด, ดูร้อนไปฉาอุดิอาระเบียดังนั้นพวกเขาจงเคารพพักดีพระผู้อภิบาลแห่งบ้านหลังนี้เถิดคืออัลกับะ ผูทรงให้อาหารแก่พวกเขาให้พ้นจากความหิวและทรงให้ความปลอดภัยแก่พวกเขาให้พ้นจากความหวาดกลัว